ข้อ9เคารพผู้มีอาวุโสกว่าเป็นอย่างไรในครอบครัวย่อมมีบิดามารดาปู่ย่าตายายย่าทวดยายทวดครอบครัวใหญ่ก็มีทั้งที่มีอาวุโสกว่าเราและผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเราเราต้องเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักปริบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุข ให้ความสุขความสำราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันแม้ว่าจะเด็กกว่าเราจงพูดจาด้วยวาจาอันไพเราะนานไปก็จะเป็นผู้ที่มีนิสัยอันดีงามในประเทศย่อมต้องมีห้องเต้เป็นประมุขที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีรับราชการด้วยความซื่อสัตย์จริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเอง อย่าอวดดีทำผิดโดยคิดว่าพระองค์จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็อย่าเมาอำนาจจนตัดสินโทษ ด, ด้วยอารมณ์ทำไปด้วยความรำพองใจโบราณท่านว่าการรับใช้ห้องเต้ก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญความสุขสมบูรณ์ให้ถ้าลูกทำดีพอ